เจริญพรท่านสาวธุชนพุทธบริษัทอุบาศกอุบาสิกาผู้ไฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส4บสีกรกฎาคมพุทธศักราชส5 5พเป็นวันพระเป็นวันธรรมวสวนณะเป็นวันฟังธรรม เป็นวันดีเพราะวันนี้ศรัทธายาโยมาทำความดีกันคือคิดดีพูดดีทำดีวันพระแปลว่าประเสริฐวันพระไม่ได้ประเสริฐตรงที่วันแต่ตรงที่มีการกระทำความดีถ้าวันนี้เป็นวันพระแล้วแต่ไม่มีใครทำความดี ไม่มีใครทำบุญให้ทานไม่มีใครตัก บ, บาทไม่มีใครรักษาศีลไม่มีใครฟังเทศฟังธรรมไม่มีใครปฏิบัติธรรมวันนี้วันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นวันพระเพราะว่าวันพระที่แท้จริงนั้นคือเป็นวันที่พระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัท ได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อจะได้มาทําความดีเพื่อทําให้ตนเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาคําว่าพระนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่ออกบวชกนหัวผงผ่าเหลืองแต่อย่างเดียวคําว่าพระนี้เป็น ค, คํากลางๆ ค, ความหมายแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ใดทําความดี ผู้นั้นก็เป็นผู้ประเสริฐไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งหมว่าห่มเหลืองหรือห่มขาวว่าโกนศีรษะหรือไม่โกนศีรษะนี่เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ของพระของผู้ประเสริฐของผู้ทําความดีเท่านั้นแต่ถ้าโกนหัวแล้วห่มเหลืองแล้วห่มขาวแล้วแต่ไม่ทําความดีก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระอยู่ดีในทางตนนั้นข้าม ผู้ที่ไม่ได้ห่มเหลืองไม่ได้โกนหัวแต่ทำความดีอย่างสม่าเสมอผู้นั้นแหละคือเป็นพระเป็นคนดีเป็นผู้ประเสริฐดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดดีพูดดีทำดีเพราะจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราเป็นผู้เจริญเป็นผู้ก้าวหน้าเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริง อย่างนั้นวันไหนถ้าเรามีเวลาว่างเราพอที่จะทำความดีได้ก็ขอให้เราทำไม่ต้องรอให้เป็นวันพระไม่ต้องรอให้เป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เพราะการทำความดีนั้นทำที่กายวาจาใจไม่ได้ทำที่สถานที่ไม่ได้ทำที่วัดไม่ได้ทำที่บ้านแต่อย่างเดียวแต่ทำได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนเมื่อมีเวลามีโอกาส ก็ให้ทำเสียเช่นเห็นคู่ใลเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือกันไปเวลาที่เรานั่งอยู่บนรถเมล์แล้วมีผู้ที่อ่อนแอกว่าเราเป็นผู้หรือผู้ที่มีชราภาพมีอายุมากกว่าเราเขายืนอยู่เรามีที่นั่งถ้าเราเสียสละให้เขานั่งได้นี่ก็เป็นการทำความดีแล้วเป็นการทำบุญแล้ว เป็นการทำให้ตนเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาดังนั้นจึงขอให้เราดูที่การกระทำคือกายวาจาใจของเราเป็นหลักอย่าเป็นดูที่วันเพราะว่าถ้าดูที่วันแล้วพอไม่ใช่เป็นวันพระก็เลยไม่สนใจที่จะทำความดีอย่างนี้ก็จะไม่ได้ทำให้เราดีวันพระนั้นก็มีเพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าอยากจะให้เป็นคนดีจริงๆเป็นผู้เริฐจริงๆต้องทำทุกๆวันเลยทำวันพระวันเดียวไม่พอแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันพระนั้นก็เพียงแต่จะให้ศรัทธาญาติโยมได้หยุดการทำงานทําการได้มีเวลาเข้าวัดเพราะเวลาเข้าวัดนั้นจะได้ทาความดีหลายอย่าง จะได้รับประโยชน์หลายอย่างเช่นวันนี้ญาติโยมมาวัดก็ได้มาบูชาพระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธก็ธรรมระสงฆ์ผู้เป็นสราระอานะเสิษเวลาที่บูชาเราก็ไม่ใช่แต่กราบเฉยๆเืยจุดธูปเทียนดอกไม้เฉยๆเราต้องรำลึกถึงพระพุทธทคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่ น, น, นพระพุทธเจ้าเป็นใคร ฉันเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นผู้ตัดสู้ด้วยตนเองเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือพระพุพะพทธคุณพระธรรมคุณก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าประเสริฐอย่างไรดีอย่างไรเพราะเป็นสันติโกเป็นคำสอนที่ <c oughs> ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นผลได้ ไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วไม่มีผลตามมาสันติโกแปลว่าผู้ปฏิบัติย่อมเห็นผลของธรรมอันประเสริฐนี้อาการลิโกเป็นธรรมที่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมคุณภาพสมัยพระพุทธการมีคุณภาพอย่างไรสมัยปัจจุบันนี้ก็มีคุณภาพอย่างนั้นเป็นสวาขาโตพระวตาธรรมโม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัพไว้ชอบแล้วคือตรงกับตรงกับความจริงทุกประการไม่มีของแปลกของปลอมของโกหกอยู่ในพระธรรมคำสอนเลยทุกคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงทั้งนั้นเช่นบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดต้องไปเวียนว่ายตายเกิด อย่างนี้ก็มีจริงการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงก็มีจริงก็คือพระนิพพานนี่แหละเป็นเป็นของจริงเป็นของที่ผู้ปฏิบัติอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถได้เห็นได้สัมผัสได้มาเป็นสมบัติของเราเองและเป็นโอปะนะิโก ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นโอปะนายโกคือเป็นธรรมที่ต้องน้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วดูแล้วว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกเกิดจากการทำบาปก็ละเว้นจากการทำบาปไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปะเวณีไม่พูดปดมดเทสไม่เสพสายาเามา นี่คือการละเว้นจากการทำบาปเป็นการโอปณะอิโกเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราคือนำเอามาปฏิบัติอย่าฟังเฉยๆฟังเฉยๆก็เหมือนกับดูอาหารเฉยๆไม่ได้รับประทานอาหารถ้าดูรับดูอาหารเฉยๆไม่ได้รับประทานอาหารดูไปจนมันตายก็ไม่อิ่มเพราะไม่ได้รับประทานนั่นเอง ทันใดพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นสวากขาโตภควาตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วก็ตามเป็นสังคติโกผู้ปฏิบัติสามารถเห็นผลได้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่โอปันญิโกไม่น้อม้ามาสู่การปฏิบัติที่กายวาจาใจก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคาสอนอันประเปิฐของพระพุทธเจ้า นี่เรียกว่าพระธรรมคุณพระสังฆคุณเวลาเรากราบพระครั้งที่สามเราก็เล่ถึงพระสังฆกุณคือผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อแล้วก็โอปัญญายิโกน้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัตบิตรงปฏิบัติตเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนผู้นั้นแหลคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่โกนหัวแล้วผมผ้าเหลืองท่านเป็นท่านอาจจะเป็นอริยสงฆ์ก็ได้ท่านอาจจะไม่เป็นพระอริยสงฆ์ก็ได้ เพอยู่ขึ้นอยู่กับการกระทําของท่านถ้าท่านสุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนท่านก็จะเป็นอริยสงสาวกแต่ถ้าท่านไม่ไม่ปฏิบัติ ด, ดีไม่ปฏิบัติชอบถึงแม้ท่านจะผมเหลืองกนศรีรษะก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธการและในสมัยนี้ มีพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากที่ไม่ใช่เป็นนักบวชและไม่ใช่เป็นแต่ผู้ชายด้วยมีทั้งหญิงมีทั้งเด็กที่มีบุญบารมีที่ได้สะสมมาไว้มากเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็น้อมเอาไปปฏิบัติบรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นพระสะกิฎาคามีเป็นพระอน า, าคามีเป็นพระอาหารหันต์กันมีเป็นจำนวนมากมีทั้งนักบวชและทักคารวะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะมรรคผลนิพพานหรือการเป็นพระอริยสงสาวกนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ กายวาจาใจให้เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้กระทําเมื่อเรามาวัดเรามาบูชาพระรัตนตรัยมารําลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อเราได้ลําลึกแล้วก็จะทําให้เราเกิดมีศรัทธามีความเชื่อมีฉันทะคือความยินดี ที่อยากจะโอปัญายิโกอยากจะน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราจึงสมาทานศีลกันการสมาทานศีลก็เป็นการโอปัญายิโกน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่กายวาจาใจของเราเช่น ว, วันนี้เราก็ได้ สมาทานแล้วว่าเราจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการนักทรัพ์ละเว้นจากการพูดประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดผดมดเทศและละเว้นจากการเสพสารยาเมาถ้าเรามีสัจจะคือมีความจริงใจเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติไม่ใช่รับไว้แค่ที่ศาลานี้ พอออกจากศาลาก็โยนใส่ทั้งขยะไปถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสุปฏิปันโนยังไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเมื่อสมาทานสลแล้วก็ต้องรักษาศินไว้ให้ได้ถึงจะได้สัมผัสกับผลที่จะปรากฏขึ้นมา ก็จะเห็นว่าธรรมะเป็นสันติโกเวลารักษาศีลแล้วเราจะมีจิตใจที่มั่นคงแน่แน่ไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวกับภัยต่างๆไม่กลัวว่าจะมีใครมาประนามมาติชินนินทาว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราเป็นคนดีศีนนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเป็นคนดี ไม่ใช่พ่อแม่ที่จะทำให้เราเป็นคนดีไม่ใช่นามสกุลของเราหรือชื่อของเราที่จะทำให้เราเป็นคนดีแต่ศีลนี่เท่านั้นแหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีคนที่มีศีลอย่อมเป็นคนที่น่านับถื อ, น, อน่าเคารพน่าเลื่อมใสน่าชื่นชมยินดีต่างกับคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่น่ารังเกียจน่า ขยะขยงน่าอยู่ห่างไกลเพราะคนที่ไม่มีศีลย่อมสร้างปัญหาย่อมทำร้ายทำลายผู้อื่นนั่นเองถ้ามีคนที่ไม่มีศีลอยู่ในบ้านแล้วเราก็จะต้องเดือดร้อนกันเข้าของหายเป็นต้นหรือดีไม่ดีก็ถูกเข้าฆ่าได้ <wor>? <S> <S เช่นเวลามีผู้ร้ายโจนผู้ร้ายเข้ามาในบ้านเพื่อมา รักทรัพย์เพื่อมากล่นมาจี้ถ้าเจอเราก็อาจจะฆ่าเราได้เพราะเขาไม่ใช่เพราะเขาไม่มีศีลนั่นเองที่อยู่ของเขาที่แ จ, จ้งจีก็คือต้องอยู่ในคุกอยู่ในตารางเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจอาจจะมีกําลังไม่พ อ, อยังไม่สามารถจับเขาเข้าคุกเข้าตารางได้เท่าที่จับได้ก็ไม่ก็แทบจะไม่พอ อยู่แล้วคุกตารางทุกวันนี้ล้นออกมาเพราะคนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นเองไม่สนใจไม่เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงนรกมีจริงว่าสวรรค์มีจริงว่าบุญมีจริงส่วนใหญ่จึงชอบตกนรกกันต้องไปติดคุกติดตารางนั่นแหละคือนรกของมนุษย์เรากันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ต้องไปตกนรกในคุกในตารางตายไปก็ต้องไปตกนรกต่อจนกว่าบาป ก, กรรมที่ได้ทำเอาไว้นั้นจะหมดสิ้นไป <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราได้มาทำกันวันนี้คือในวันพระเราได้ทำบุญถก บ, บาทไปแล้วเราได้บูชาพระรัะตนตรัยไปแล้วเราได้สมาทานศีลไปแล้ว ท่านต่อไปเราก็ฟังเทศฟังธรรมกันการฟังเทศฟังธรรมก็จะทําให้จิตใจเราผ่องใสทําให้จิตใจเราสงบทําให้จิตใจเรามีความสุขเพราะว่าเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราตั้งใจฟังอย่างจริงๆเราก็จะติดตามคําสอนไปเรื่อยๆ เมื่อเราฟังคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าไปสู่ใจของเราเป็นเหมือนน้ำมนต์ชะลมใจน้ำมนต์ที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสอนนี่แลไม่ใช่น้ำที่เราเอามาประพรมกันน้ำนั่นก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะให้ใครมาเสกมาเป่าอย่างไรมันก็ยังเป็นน้ำอยู่อย่างนั้นไม่ได้เป็นน้ำมนต์น้ำมนต์ที่แท้จริงที่จะเข้าไปสู่ใจของเราได้ ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราตั้งใจฟังด้วยสติจดจ่ออยู่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พระธรรมคำสอนก็จะเข้าสู่ใจของเราเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะค่อยสงบตัวลงเมื่อจิตสงบตัวลงความผ่องใสก็ปรากฏขึ้นมา ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาความปิติก็ปรากฏขึ้นมานี่คือน้ำบนฉลมใจอย่างแท้จริงและเป็นมงคลอย่างแท้จริงด้วยก็ เ, เมื่อมีธรรมะเข้าสู่ใจแล้วเราย่อมมีแสงสว่างพานำพาเราไปเวลาที่เราจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะมีธรรมะมคอยเตือนเราว่าผิดศีลนะทำไม่ได้นะทำแล้วบาป ก, กรรม ต้องตกนรกพอมีธรรมะอย่างนี้เตือนใจเราก็จะไม่ทําบาปทํากรรมเราจะทําแต่ความดีเพราะธรรมะสอนให้เราทําความดีอยู่เสมอให้เราช่วยเหลือผู้อื่นให้เรามีความเมตตาให้เรารู้จักให้อภัยไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวงจองกรรมเพราะ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจเพราะเป็นเหมือนไฟที่จะเผาให้จิตใจร้อนรนกระวนกระวายมีความทุกข์เวลาโกรธใครแล้วนั่งไม่ติดใจนี้วุ่นวายไปหมดจองเวรจองกรรมอาฆาตยายบาทต่างกับเวลาที่ให้อภัยไม่ถือโทษโกรเครืองใจสงบเย็นสบายใจมีความสุข พราะการให้อภัยก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนั่นเองเป็นการให้เรียกว่าให้อภัยยาทาน<ม>วันนี้ญาติโยมมาให้ข้าวของต่างๆเรียกว่าวัตถุทานพอให้แล้วญาติโยมก็มีความสุขใจมีความสบายใจใจไม่รุ่มร้อนใจไม่วุ่นวาย<ม>ฉันใดเวลาที่ใครทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็ต้องให้อภัย ถือว่ามีคนมีพระมาบิณฑบาต ท, ที่หน้าบ้านเราแล้ ว, ลวมาบิณทบาตอภัยทานเราต้องรีบให้อภัยทันทีเพราะเมื่อเราให้อภัยแล้วเราจะมีความสุขเราจะได้บุญถ้าเราตายไปในตอนนั้นเราก็จะได้ไปสวรรค์เลยในทางตรงกันข้ามถ้าเราให้อภัยไม่ได้จิตใจของเราก็จะรุ่มร้อนเป็นเหมือนนรกถ้าเราตายไปในตอนนั้น เราก็จะต้องไปตกนรก ท, ทันทีดังนั้นขอให้เราเห็นความสําคัญต่อการให้อภัยอย่าถือโทษโกดเครืองเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วเสียอะไรก็เสียไปแล้วแต่อย่าเสียสองต่อเสียสามีก็เสียไปเสียภรรยาก็เสียไปแต่อย่ามาเสียใจใจนี่เราไม่ต้องเสียเรารักษาได้ เรารักษาให้ใจเราสงบให้เย็นให้สบายให้ยิ้มได้เพราะเรามีปัญญาเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่งานกันได้ก็หย่ากันได้หรือตายจากกันได้หรือหนีจากกันได้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามีปัญญารู้ถันแล้วเราก็จะให้อภัยได้เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เสีย อ, อกเสียใจ เสียเสียแต่ของภายนอกก็พอเสียสมบัติเข้าของเงินทองเสียไปเสียสามีเสียภรรยาเสียไปเสียร่างกายก็เสียไปแต่จะไม่เสียใจดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตคือให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมนี้ก็คือความสงบสุขของใจเราใจที่ไม่เสียใจนี่แหละคือธรรม ถ้าใจเสียใจนี้แปลว่าอะธรรมไม่ใช่ธรรมะถ้ามีธรรมแล้วใจย่อมสงบย่อมมีความสุขย่อมไม่เสียใจกับอะไรทั้งสิ้นเพราะมีปัญญาปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเห็นแล้วว่าเกิดมาก็มาตัวเปล่าๆ เ, เ, เวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยเราจะมาเสียใจกับอะไรของต่างๆในโลกนี้ท่านสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่า ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราเป็นสมมุติสมบัติเพียงแต่สมมุติว่าเป็นของเราเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากไปแล้วสมบัติต่างๆก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นต่อไปเป็นของลูกของหลานของสามีของภรรยาหรือของเจ้านี้เจ้ากรรมนายเวง ก็สุดแท้แต่แต่มันไม่ได้เป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมันก็ไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเพียงสมมุติว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเท่านั้นเองพอตายแล้วก็เป็นของสับเปลือไปสับเปลืกก็เอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ถานไปนี่คือสัจธรรมความจริง ผู้รู้ตามความจริงนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะไม่หลงยึดติว่าเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเมื่อไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางก็จะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจกับการสูญเสียกับสิ่งต่างๆไปก็จะสามารถให้อภัยได้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะทําอะไร ก็จะไม่ถือโทกษกดเคืองจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมกันอีกต่อไปถ้าเราให้อภัยไม่ได้เราก็จะต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมกันแล้วก็จะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันต่อไปอีกตายไปเกิดไปชาติหน้าไปเจอกันที่ไหนก็จะต้องเกลียดชังกันจะต้องอาฆาตพยาบาทกันไม่รู้จักจบจากสิน้นนี่แหละคือการทาบุญให้ทานนี่แหละคืออนิสงส์ ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังแล้วจะทำให้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นว่าการให้อาภัยนี้เป็นธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลเห็นว่าการนาคาสพยาบาทจองเวรจองกรรมเป็นกิเลสเป็นบาปเป็นกรรมไม่ควรที่จะกระทานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับในวันพระเมื่อเราเข้าวัดเข้าวา เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับเวลาที่เราอยู่บ้านเพราะว่าเราจะม่นยุ่งกับการทำมาหากินยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้ก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาว่างพอที่จะฟังเทศฟังธรรมทง ท, งทั้งที่ธรรมะสมัยนี้ก็สามารถฟังกันได้ที่บ้านถ้ามีวิทยุก็เปิดฟังได้มีโทรทัศน์ก็เปิดดูได้มีเครื่องเล่นก็เปิดฟังได้ แต่เรามักจะไม่ค่อยมีเวลากันมักจะหมดเวลาไปกับการทำมาหากินดูแลอัตภาพชีวิตของเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งที่ดีที่งามเมื่อไม่ได้ฟังสิ่งที่ดีที่งามก็ไม่มีสิ่งที่ดีที่งามคอยพาใจให้ไปคิดดีพูดดีทำดีก็จะถูกสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจของเรา คือความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้พาไปพาให้เราโลภพาให้เราโกรธ พ, พาให้เราหลงยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเราว่าจะให้ความสุขกับเรานี่คือความหลงทั้งนั้นเพราะในสายตาของผู้ที่มีปัญญาเช่นพรนะพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราเลย มีแต่ให้ความทุกข์ทั้งนั้นพอเรามีอะไรแล้วเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นทันทีมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นๆบุคคลนั้นนถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่ทุกข์คนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาก็ไม่ต้องไปทุกข์กับสามีไม่ต้องไปทุกข์กับภรรยา คนที่ไม่มีลูกเขาก็ไม่ต้องไปทุกข์กับลูกทุกนี้เป็นอย่างไรก็คือความห่วงความกังวลนั่นเองความหวงแหนนี่ก็เป็นความทุกข์ความอาลัยอาวรณ์ความเสียดายเวลาที่ต้องจากกันไปนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นจะไม่มีกับคนที่ไม่มีสิ่งต่างๆดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดแล้วอย่าไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆ ถ้ายังเป็นโสดอยู่ก็อย่าไปคิดมีสามีอย่าไปคิดมีภรรยาเพราะเหมือนกับการวิ่งเข้ากองไฟมันไม่มีประโยชน์อะไรความสุขในกองไฟนี้แทบจะไม่มีเลยฉันใดชีวิตของคู่ครองก็แบบเดียวกันมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจมีแต่ความเดือดร้อนใจไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่เนื่องจากใจของเรานั้นมืดบอดตัดสะจาธรรมะแสงสว่าง พอเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังทำกันเราจึงหลงเห็นกับตาลระปัดเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นว่าการมีสามีการมีภรรยามีสิ่งต่างๆแล้วจะมีความสุขแ ต, แต่แต่พอได้มีเข้ามาจริงๆก็เห็นน้ำตาตกในกันทุกคนเห็นมีแต่บนมีแต่ร้องห่มร้องไห้กันอยู่เสมอวัด น, นี้แทบจะไม่ว่างจากคนที่มีความทุกข์เลย เวลาทุกข์ถึงจะเข้าวัดกันสักทีตอนนั้นมันก็สายเสียแล้วตอนที่ยังไม่ทุกข์ทำไมไม่เข้าทําไมไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาเตรียมตัวเตรียมใจมาป้องกันใจของตนไม่ให้ไปกระโดดเข้ากองไฟนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดเราได้ทํำบุญหลายอย่างเราได้สร้างความดีหลายอย่างเราได้รับประโยชน์หลายอย่าง เป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้รับกันเวลาที่เราอยู่นอกวัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไม่ควรไม่ควรทำความดีในขณะที่เราอยู่นอกวัดถ้าเรามีเวลาว่างระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็ขอให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ก็ขอให้เราฟังธรรมกันทําความดีได้ก็ทํากันรักษาศีลได้ก็รักษาศีลกัน ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องมาวัดก็ได้แต่ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องมาวัดก่อนมาวัดมาฝึกให้เป็นนิสัยเมื่อเราไม่นิสัยแล้วเราก็จะได้เอาไปใช้เวลาที่เราอยู่นอกวัดถ้าไม่เข้าวัดเลยนับรองได้ว่าจะไม่มีการคิดที่จะทำความดีเลยจะมีแต่ไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงแต่อย่างเดียว แล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจักสิ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มาได้เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกงไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้สัมผัสกับรสแกงเลยไม่เหมือนกับลิ้นที่ได้สัมผัสกับแกงฉันใดพวกที่ไม่สนใจ เข้าวัดเข้าอาไม่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนพวกทัพพีในหม้อกแกงส่วนพวกที่สนสนใจมีศรัทธามีความเชื่อในพระในพระธรรมในพระสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมแล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดเกิดมาแล้วได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นขึ้นไปนั่นเองจะได้เป็นเทพเป็นพร ได้เป็นพระอริยะเจ้าตามลําดับต่อไปพวกที่ไม่ไม่เชื่อไม่สนใจพระธรรมคําสอนก็จะได้ได้ลดชั้นลงไปจากมนุษย์ก็ได้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่สนใจศึกษาพระธรรมคําสอนไม่สนใจปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั่นเองดังนั้นวันนี้เป็นวันพระ จึงขอให้เรามันทำวันพระนี้ให้เป็นวันพระจริงๆอย่าเป็นวันพระในปฏิทินขอให้มันเป็นวันพระในกายวาจาใจของเราด้วยการคิดดีพูดดีทดําดีแล้วความประเสริฐเลิ่อนโลกก็จะเป็นสมบัติของเราต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระสีณาธนากรมีครอบครุฑธรรมประสงค์และบูรุญกุศลที่ท่านได้มากระทั่กันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ